คนฉลาดเหมือนลิ้นรู้รสแกงพระพุทธาสิทธคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียวย่อมรู้ทำได้โดยพลันเหมือนลิ้นรู้รสแกงอธิบายความข้อนี้ตรงกันข้ามกับที่กล่าวมาแล้วคือคนฉลาดเมื่อเขาใกล้บัณฑิตย่ยอมมองเห็นการกระทำของบัณฑิตเป็นสิ่งน่าเอาอย่างน่าประพฤตตามมีความนิยมเลื่อมใสในบัณฑิตชอบทำของบัณฑิต จึงสามารถรู้ทำของบิดิคได้โดยพลันเหมือนลิ้นที่ดีไม่มีโรคย่อมรู้รสแกงได้ทันทีเมื่อสัมผัสเรื่องนี้พระศาสดาตรัสเมื่อประทับอยู่ณเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารลภิกษุชาวเมืองปาถามีเรื่องย่อดดังนี้เมื่อพระศาสดาตรัสรูลใหม่ๆได้พบเด็กหนุ่มชาวปาถาสามสิบคนที่ไร้ฝ่ายพวกเขากําลังตามหาหญิงที่หายไป พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังจนทั้งหมดเลื่อมใสขอบททรงประทานเอหิพิขุอุปสมบทให้แล้วพิกษุเหล่านั้นสมาทานทุดงสิทธิสามข้อประพฤติอยู่อย่างเคร่งครัดเป็นเวลานานต่อมาได้เข้าเฝ้าพระาศาสดาอีกฟังอนัมตะคะธรรมเทศนาธรรมเทศนาคือว่าด้วยสังสารวัตรเป็นสิ่งยาวนานยากที่กำหนดควรเบื่อหน่ายควรคลายกำหนัด ได้บรรลุอรหัตผลต่อมาวันหนึ่งพิสูจ์ทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าน่าอัศ จ, จรรย์จิงหนอพิสูจนเหล่านั้นรู้ทำได้เร็วเหลือเกินพระศาสดาทรงทราบและตรัสว่าสหายทั้งสามสิบคนนั้นเคยฟังธรรมมาในชาติก่อนเคยสมาทานศีลห้าเพราะอุบันิสัยนั้นจึงบรรลุพระอรหัตผลได้อย่างรวดเร็วดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคนฉลาดเข้าใกล้บัณฑิตแม้เพียงครู่เดียว เป็นอาทิมีนยะดังพนานามาแล้วแต่ตน